ทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนจีวรได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สหธรรมิข้าคือภิกษุภิกษุณีสิกขามานาสมมเนนสมมเนรีให้จีวรแลกเปลี่ยนกันได้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สหธรรมิข้าเหล่านี้ให้จีวรแลกเปลี่ยนกันได้ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้